พระบัญญัติเจ็ดร้อยแปดสิบสีก็ภิกษุณีเมื่อจะขอผ้าห่มนาพึงขอได้เพียงราคาสีกังส์เป็นอย่างมากถ้าขอเกินกว่านั้นต้องอบัตินิสกิยปาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบ